ให้ยินนยั่านาเด้อในตังคตกสังใจภาว น, นาทุกอูทุกคนในโลกนี้มันมแนวถึงแนวจองเข้าไว้หลายแฉะเะด้จองไว้ทั้งตาแน้ทั้งหูแนะทั้งปางกสัมผัสทั้งกายแนวม ว, วนแวนวยิง่งยังต่างต่างกันเนี่มันี่ล้านแฉะ เฉพาะเรื่องมันมาสัมผัสเรื่องทั้งนึงทั้งต่งตงตงตงตาง ม, มันเ่ยจะโแห้งแล้วเห่นว่าท่านพอนมันหนาวเนี่ยนอเจากาลาบากพคแห้งก็นอกจากติดกับข่าอยู่พคแห้งแล้วเดีไม่ยอมจะหาเททหตุเหตุเน่าสงนั่นสั่งนี่มาสวมาห่อกกันข้าอยู่นี่มาหอละศพพบนั่นบอกนี่เศษ ม, มีเปามีงั่นนี่เศษมี่นั่น แดงเข่งบอกนี่หนังบอกนีละครบอกมันเป็นหาเห็ุถึงมาอีกมาดึงจะคล้องไว้จ้องจะค้องไว้มันค่าเร้อทุกจริงทุกอย่างเนี่ยมันแนว่วเกิดถึงห้าค่าอยู่นีมันเป็นอุปกรณ์ประจำโลกอยู่นีล่ะและ้วห้ามาแล้วห้าบทสลาดห้าก็มาเห็ุถึงจืดใส่แน่เห็ดเนี่ยคลองเนี่ยผ้าจะคล้องดึงจะคล้องไว้ดึงไว้แล้วกันี่ฆ่าอย่างไนึ่งมันค่าหักมันค่าสร้างนี่ละ่ะ ข้าเนี่ยมูนีข้าเนี่ยะอ่อนมุนีค้าห่วงข้าแง่อยู่มูนีเนียิติไปคนจิตสิคนคนจากคว่ำเดือดคว่ำพอ น, น, นมันต้องคนจากแนว่มูนีไปแน่ยมูนีจองไว้บ่ได้น่ละ่ะ <c oughs> มันเป็นสิบค น, นมันจองไว้มันดึงไว้อยู่หนึน่มันจะจะอ่อนอยู่ตรงนวมนีซึ่งนี่ักนี่ตั้งนี่ละ คนอยู่นี่ตะทุกที่นี่แล้วให้นะในนี่มันมีแต่ทุกแต่ว่าเฮ้าสี่นี้แต่คนนี้ก็ได้ขอบค่าให้เป้าฆ่ากันนฆ่ากันฟลอยกันว่างนีไยังสิได้มันใส่เราทุกผู้ปลูกทุกคนอย่ามันยับไปเนี่ยับไปยับไปหาวางังมันมืดเวลาเลยเด็กมันตู้ได้ ว่างในได้อยในได้ตะกี้เป็นอิสระตะสีพมสมเย็นเข้าถูกเข้าถูกเข้าเขางนี่ข้าวอย่างข้าจกข้าง้าบอกเอาออกงามเอาออกอย่างให้มันสวยข้าม้วนม้วนหน้าม้วนของเรากปงันจนตรงโดนที เ ข, เขาลองเค้งลองเท่งไปเรื่อยๆ ม, มันละเงนมันละจองมันดึงเลยร่างกายนี่มันนี่ไล้ส่วนไล้ก็สู่ไล้ปองแต่แต่ปองถือเขาเสียเอาแนมันมาดึงมาจองเลยมาดึงอยังดึงใจเขาเอาหลังกายถึงมาก่อนมึงไว้แล้วเอาเหตุใจมายอยู่นม่มีแล้วก็เช็ดปองที่ดช่อง ประตูหนาต่างไว้เขาเอา ใ, ใจมาเลี่ยงเลยไม่ดีไวทยอบไวทะลึกทั้งนันจะเอาแน่วา่าเดชสม่าทั้ทงหนาต่างแม่มให้ใจมารอให้ใจจะหัวดีใจม้วนเด่น ย, ย่องก็ยังใจดีใจในฮาลึงเจอเอาแนวเดชขม่าทั้ทงประตูให้้วยค่นั้นทั้งใครทั้งทุกข์ทั้งเดือดร้อน ข้อม้วนมันนี่คือความเปนมันม้นมวนเป็นพคปาชิธรรมดาวปหนึ่มีแหละเขาเล่น่อเอาไวได้ดเรื่อยบางนีงเขาซีมดเวม่าลาเรียค่อยๆตอดไปแหละกูได้กรได้ทำขพอว่างอะได้ลฝ่าว่างอ า, ามอควน่านี่มันก็สิปล่อยจีว่างหันละควแ น, น่นมันเน่ะบาดจีนี่หลมากจัดตั้งทีมแลแ้วจย้ามันสัวมันล่อเยดนอีกรับทาควบเขางบดิ้สงดใจนี่สำลังเลหลายแบบ มันใส่ว่างใดถึงกระสันมันว่างบได้มันติดบมเมนเท่าก็ยังขีดใหม่อยู่แล้วเขาปล่อยมือว่างแล้วมันว่างออกหมดมันบมเมนต์กระสันมันเป็นกาวติดอยู่ใจมือขันเท่าบอดติสะกคัดงระบัดแห้งแห้งมืนมันบอออกได้ขันใจบอมีสามารถที่มี่ําลังมันมันติดบอออกสระบัดบอออกสะลัดบอออกได้มันต้อง เบิใจนี่กาลังทั้งข้อมสงบสิ่งหละเคล็ดลายลายข้องสงบนี่วนเวลาเขาไปทิชเช์นนหน้านีา่ไปซ่อนเยี่ยโอ้ยกูบอสเบสบอสอ่นมันดอกกูเศร้าแล้วอไอ้มันเศออร้าเลยอีหลีแบบนี้ยม่ตันไม่ได้เมันสิตัวออกมันค่าเอกแวร่นี่ขนาด น, นัาหน่อยไรเนยไปใสบอดดายต้อง คือมค้ดอยู่เรื่อยๆเยอิคิดจะอ่อนเยอะที่เอานั่นเอานีอจับสมบัติท า, างๆนางไม่หลวมอารมณ์ส่นจะเห็นนะตัวของจกกังเลยตัวมันโอ้เผามาแล้วนันผมมีประโยชน์ใจเหมือนกับ่าดเยอะถือสบาติอบสมบายใ จ, รใ จ, รใจหรืว่าไดเงี้ยงไหลๆเยเขาพนว่าไปหลงม า, เ, าเรื่อยๆพนว่าโอ้เงี้ยงไหลอะไรกัรักษาว่ดสัวว่าใดนะมันหอดวางเงินเั็มเลหอดร่างหาันหลังทุกคนเนี่ย เราว่างด้ะบ่เป็นเป็นโ ล, โลกมาเล่นกัเป็นแนวอื่นมันเป็นโลกตายมันเตะเข่ามาเราตายน่ยฮัตที่ชนะฮัตพลอยฮัดบ้างจซะโดยเฉพาะกับพลางกายนี่แหละเรื่องตายเลยยางเรื่องชีวิตนี่แหละเยอะไดแค่แค่ยังงงแค่แท่เนะ่ยฮัตเข้าพัดพลอยฮัดบ้างเออเป็นเรื่องตายเป็นเรื่องของพลังกายพลังกายมันเป็นของเขาจะได้ไปไล่มา แต่งแซ่ออกที land. ่แหลกกูละก็ไม่ของเขาเมื่อยอยู่เท่ากับจีวรของเขาของเขาเขากูไปกินเองกูขั้มกูขั้มแน่แค่กูกระหามากินเองก็ไม่ของกูหรืก็นโอ้ยมันกูใ่เลยมันระบบนิเวศน์มันเอามาเลี้ยงเห็มันดูดีเลยเน่เาฮัตเน่ฮัดคือปล่อยคือว่างเป็นถอถือขัวเพระูใเจ้า